จะอธิบายธรรมะสู่ฟังธรรมะมันเป็นของเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทิจารณาให้มันเห็นคนเราไม่มีธรรมะอยู่ในใจนั้นแนะมันจึงเป็นทุกข์หลายเดือดร้อนหลายเพราะธรรมะ กับกิเลสนั้นมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันคันธรรมะปรากฏในใจกิเลสมันก็หายหน้าไปมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นถึงว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของคนเราผู้หวังความสุขเกลียดต่อความทุกข์โดยแท้จริง แต่คนเราไม่ค่อยสนใจเพราะว่าใจมันผูกพันอยู่กับโลกภายนอกนั้นมาก่อมากมันนี้จะน้อมจิตเข้ามาภายในมาบำเพ็ญธรร ม, มะให้เกิดขึ้นในใจนี่นก็แสนยากเพราะฉะนั้นเราผู้ที่ตื่นตัวแล้วอย่างนี้นะไม่ควรที่จะให้จิตใจของเราห่างเหินจากธรร ม, มะ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นก็หมายเอาธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลนะธรรมะฝ่ายกุศลนี่มันเริ่มต้นตั้งแต่สติสัมปชัญญะแต่ก็อย่างว่านั่นแหละธรรมะบางบางข้อบางหมวดนะเป็นได้ทั้งสองทาง เป็นไปในทางกุศลก็ได้เป็นไปทางอากุศลก็ได้มันเป็นยังไ น, นอย่างเช่นสติสัมปัชญะอย่างนี้น ะ, ะมันลึกไปทางบาปอากุศลก็ได้ น, นมันรู้มันรู้สึกตัวไปแต่ในทางบาปอากุศลก็เป็นไดน้ี่ดังนั้นมันจึงมีธรรมอื่นนะ่มาสนับสนุน กับฮิริโอตตกับสติสัมปชัญญะนี่นะเช่นฮิริโอตตประธรรมอย่างนี้ความละอายแก่ใจในอันที่ทำความชั่วั้างในที่รับข้างในที่แจ้งนี่เมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้มาสมทบกับสติสัมปชัญญะเข้าไปแล้วคนเราก็รลึกไปแต่ในทางที่เป็นกุศลนะวันนี้นะ ในทางที่เป็นอกุศลไม่ระลึกไปเขาก็รู้อยู่แล้วว่าฝ่ายอากุศลนี่มานำทุกมาให้อย่างนี้นะธรรมะฝ่ายอากุศลได้แก่ความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าเป็นรากเหง้าของอกุศลต่าง เหมือนกับรากเง่าของต้นไม้นั่นเมื่อต้นไม้ต้นใดรากเง้ามันยังดีอยู่มันไม่ผุมันก็งอกขึ้นมาเป็นต้นเป็นกอขึ้นมาได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในใจอย่างนี้หากก็ไม่เพียรละมันแล้วมันก็ ลนบันดาลให้จิตคิดไปทางอากุศลเบียดเบีย น, ยนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เพราะนเพอย่างนั้นเรื่องมันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงแสดงธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลไว้เพื่อให้พุทธบริษัทนได้น้อมธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลเข้ามาในจิตใจของตน ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเมื่อทำมากที่เป็นฝ่ายกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วทำส่วนที่เป็นอกุศลก็เกิดไม่ได้เพราะนั้นอย่าอย่าไปเข้าใจว่าทาฝ่ายอกุศลจักไม่เกิดในใจของเราในเมื่อบุคคลยังไม่บรรลุอริยสัจจะทำตราบใดแล้วนั้นเอาแน่นอนไม่ได้เลยจิตนี้นะ บางทีมันก็คิดไปทางกุศลบางทีก็เผลอๆก็คิดไปทางอากุศลมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าทำนี้เป็นฝ่ายกุศลอะไรนี้ก็มีสติสมบัติเนี้ยประคองจิตให้บำเพ็ญธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในใจเสมอๆไปทำนี้เป็นฝ่ายกุศลคืออะไร คือการให้ทานนีนน่การบริจาคทานการเสรียความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้มันก็เป็นฝ่ายกุศลและเป็นธรรมฝ่ายกุศลเมื่อจิตเตรียมอยู่ด้วยทานการกุศลอย่างนี้ล่ะความโลภความตนีมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นครอบงมจิตใจไม่ได้ เงินเพยยางงั้นจิตใจคนเรานี่นะทรรมที่เป็นฝ่ายผู้สนอีกอย่างหนึ่งได้แก่การสมทานมั่นในสินเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในสินตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าผู้มีสินจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ผู้มีสินจสสะนม ส, นจสมบูรณ์ด้วยโพคสมบัติ ผู้มีศีลจักบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้ทีนี้คนเราเนะี่ยมันมาติดความสุขชั่วคราวในโลกนี้เนะี่ยมันจึงไม่ยอมรักษาศีลให้บริสุทธิ์มันมองไม่เห็นความสุขในโลกอื่นว่ายิ่งไปกว่าความสุขในโลกนี้แล้วก็ไม่เชื่อพระพ ญ, ญาตัสลุ ข, ของพระตัวเจ้าด้วย ดังนั้นเราจึงไม่กล้าตัดสินใจมั่นในศินเป็นอย่างนั้นผู้ที่มองเห็นคุณค่าของศินด้วยปัญญาของตนเองแล้วเช่นนี้มันก็กล้าหาญสมัครานมั่นในศินเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยเมื่อเมื่อเรามั่นในศินแล้วชีวิตนี้จะเป็นอยู่ อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องมันคือว่าจะมีปัจจัยเครื่องอาศัยมากหรือน้อยยังไงก็แล้วแต่เรื่องของมันหมายครามว่าจะการทำมาหาเรืร่องชีพนะเมื่อไม่ทำผิดศีลแล้วมันจะได้มากหรือได้น้อยเท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปเท่านั้นไม่เดือดร้อนอในการคลองชีพ พอให้มีศินแล้วเป็นพอเนี่ยถ้าผูใ้ใดมั่นใจลงไปอย่างนี้ได้แล้วไอ้ความโกรธความมายาบากความเครียดแค้นอะไรตอนน่ออะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นในใจได้เลยเพราะว่าอันดั้นน่ะความโกรธนะ่ะมันเป็นเหตุให้ทําลายศินเลยผู้รักสินเป็นชีวิตชีวาแล้วก็ไม่โกรธใครจะมายั่วให้โกรธก็ไม่โกรธ ถ้าโกรธไปแล้วสินก็เท่าหมองบางทีก็ขาดพ้ำเเลยนี่เรียกว่าผู้ที่เห็นคุณค่าของสินอย่างจริงจังอย่างเอาชีวิตแลกเอาสินเลยทีเดียวแม้จะทุกข์ยากลำบากกันเลยขอมีสินก็เป็นพอตายเพราะสินแล้วแล้วไป ขอให้เด็ดเดี่ยวกันอย่างนี้ชาวพุทธทั้งหลายนะอย่าไปอย่าไปลังเลว่ากลัวมันจะรักษาไม่ได้นะเราเนี่ยอย่างน้นอย่างนี้อันนั้นเขาเรียกว่าตีตนตายก่อนไข้ยังไม่ได้กินยานึกว่าป่วยลงไปแล้วก็ไม่มีหวังห่อชีวิตเนี่ยไม่ยอมกินยาเลยอย่างนี้นะมันก็ตายนะอันนี้ อันนี้ก็เหมือนกันยังไม่ได้ตั้งสัจจิ์สิธิอธิษฐานในใจลงอย่างแน่วแน่ไปกลัวสินซะแล้วกลัวสินจะพาอดพาอยากพาทุกข์พายากอะไรต่ออะไรอืมไปทั่วแล้วคนเราอะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อใจไม่กล้าหานอย่างนี้โบราณท่านจึงว่า ใหญ่ไม่กล้าก็ไม่ได้ขี่ช่างงามันก็ถูกต้องทีเดียวแหละก็าไปเห็นช่างตัวใหญ่ๆมีงายาวๆเรากลัวมันเลยอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ขี่พอมันแล้วเป็นยงนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละท่านพอได้ศึกษาข้อศินเข้าไปแล้วโฮ้ยกลัวแล้วเรานี่รักษาไม่ไหวแล้ว คือรักษาสินอดตายแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่อดตายมันยิ่งมีกินซ้ำผู้มีผู้มีสินนี่นะมันหมายถึงผู้สันโดดมากน้อยอ่ะใครไม่สนไม่สันโดดมากน้อยน่ะมีสินไม่ได้เลยเมื่อสันโดดมากน้อยแล้วอย่างนี้ ผู้มีสินน่ะก็ต้องสแสวงหาในทางที่ไม่ผิดสินนั่นนี่ได้อย่างไรมาก็บริโภคอย่างนั้นเช่นนี้มันจะอดมาแต่ไหนแล้วนนเนี่ไอ้ผู้ไม่มีสินเสียอีกมันยิ่งอดเพราะว่าตัญหามันครอบงําเอาอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากอันนี้ก็อยากกินอันนั้นก็อยากมีมีแต่อยากเลยวะนี่ หาได้ไม่พอกับความอยากเมื่อหาเอาในทางสุดจริตไม่ได้แล้ววันนีก้กอกหาเอาในทางสุดจริตเท่านั้นเองเปง็นไงเราเป็นเหตุให้ทาบาปทากรรมไปนี่แล้วก็ยิ่งได้ไปติดคุกติดตารางเข้าไปอีกนั่นแหละผู้ไม่มีศีล น, นะยิ่งได้ประสบความทุกข์ความยากจนผลแค้น ยิ่งกว่าคนที่มีสินซ้ำเป็เร่คนมีสินนี่เขาก็รู้จักประมาณในการใช้การใายไม่สุรุย่ยสุร้ายเกินไปอย่างนี้นะเอาแต่พอประทังชีวิตยอยู่ได้ก็เอาแล้วสำหรับคนบุญน้อยนะคนบุญน้อยฐานะการเงินเศรษฐกิจอะไรก็ไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะขอแต่ ประทางประทางชีวิตไปวันวันอย่างนี้ก็มานึกถึงวาสนาของตนตนได้ทําบุญกุศลความดีมาแต่ก่อนมันน้อยไปมาชาตินี้มันถึงได้มีฐานะความเป็นอยู่เพียงแค่นีเ้เราก็ยินดีเพียงเท่านั้นแหละจะไปยินดีเกินกว่านั้นมันก็ไม่ได้เพราะว่าบุญเก่าไม่หนุนส่งแล้วจะทํายังไงยังไงมันก็ไม่ก้าวหน้าไปได้ คนผู้จะก้าวหน้าไปได้เนเพราะอาศัยบุญเก่าที่เขาทำมาแต่ก่อนมันมากมันหนุนทงให้เขาเจริญขึ้นไปเรื่อยไปถ้าผูดด้ใดเชื่ออย่างว่านี่นะมันก็ได้เชื่อว่าเชื่อตรงตามคำสอนของพระเจ้าแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ใ ด, ดมีบุญวาสนาเพียงแค่ไหนก็ยินดีสวยผลแห่งบุญที่ตนทามาเท่านั้น แล้วแต่ว่าไม่หยุดทำความดีเอา้าเมื่อรู้ว่าตนมีบุญน้อยแล้วพยายามทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไม่ท้อไม่ถอยถ้าว่าพูดอีกในหนึ่งแล้วก็นับว่าเป็นโชคเป็นลาภอันดีที่เราได้อาจจะภาพร่างกายเป็นมนุษย์มานี่มุนตกแต่งให้สมบูรณ์บริบูรณ์อวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลาย สมบูรณ์ดีแล้วอย่างนี้เหมาะสมที่จะเป็นพาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรดผลธรรมวิเศษได้อยู่นี่เรามาพิจารณาลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ภาคภูมิใจเพราะในฐานะเรามีร่างกายสมบูรณ์อย่างนี้เราจะทําการทํางานหาเงินหน้าทองอะไรก็ทําได้ <c oughs> เราจะรักษาศีลก็รักษาได้เราจะไหวพระนั่งสมาธิภาวนาก็ทำได้เพราะว่าจิตใจของมนุษย์เรานี่มันสูงมันสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่ไอ้ผู้ที่มีจิตใจสูงเนี่ยหมายเอาบุคคลผู้ที่ มีบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนคือได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนเป็นพื้นมาแล้วนี่ว่ามีพื้นอันดีมาติดตัวมาแล้วเพราะนั้นเกิดมาชาตินี้เมื่อมาได้พบพุทธศาสนาอย่างนี้ก็จึงได้มีจิตใจชื่นชมยินดีต่อพุทธศาสนายินดีประพฤติปฏิบัติตาม อย่างเต็มความสามารถนี่ถ้าว่าเราไม่ได้รูปร่างกายเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบุญมาแต่ก่อนอย่างนี้นะมันก็ไม่มีแก่ใจที่จะมาปฏิบัติตามคำสอนของพรธเจ้าได้ดังเราจะเห็นได้ว่าคนเกิดมาในโลกมีจำนวนมากมายแล้วผู้ที่จะสนใจมาปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเนี่ย เอาจริงจังเนะี่ยมีน้อยเต็มทีอันนี้น้อยเต็มทีโดยเฉพาะการรักษาสิบนี่แหละมีน้อยเต็มทีนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนะี่ยจึงปรากฏว่าคนสนใจในทางปฏิบัติธรรมะนี่มีน้อยเดียวถ้าเทียบกับคนหมู่มากนะ อันนี้เรียกว่าเราเกิดมาในภายหลังพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปแล้วแล้วพระอระหันตสาวกผู้ประเสริฐทั้งหลายท่านก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วทีนี้ก็ยังแต่สมุติส่งํารงไว้ซึ่งคำมวิไลคาสอนของพุทธเจ้าแล้วนำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟัง บางพวกบางเหล่าท่านก็ตั้งมั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยพยายามปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่แต่บางพวกก็ยอ่อยอนเพียงแต่ทงไว้ซึ่งพุทธพจน์คำสอนของพระเจ้าไปเท่านั้นก็มีไม่ได้สนใจที่จะเจริญสมถะวิปัสนา ให้แกกล้าขึ้นในจิตใจอันนี้มันก็เป็นไปตามบุญวาสนาอีกแหละเพราะว่านักบวชทั้งหลายไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้มีบุญทั้งหมดนะมาบวชเนี่ยผู้มีบุญน้อยก็มีผู้มีบุญมากก็มีอมันเป็นอย่างนั้นแต่ผู้มีบุญน้อยนั้นเพราะว่าแต่ก่อนก็มีนิสัยเคยเป็นนักบวชมา ก็ถึงได้พอใจในการบวชผู้ไม่มีวุนิสัยไม่เคยได้บวชมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้มันก็ไม่สนใจอยากจะ บ, บวชเรียนเลยมันยังว่าทุกสิ่งทุก อ, อย่างมันขึ้นกับบุญวัดปณบา ร, รมีของใจระบุ ค, คลมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนให้พึ่งพิจารณาดูตัวเอาตัวเอง ว่าบุญวัฒนาของเรามีมากน้อยเพียงใดอันนี้มันจะรู้ได้เลยรู้ได้ด้วยตนเองนั่นเลรู้ได้ว่าเรามีบุญวัฒนามากน้อยเพียงใดเมื่อพารณาดูพี่ณาเข้าไปหาจิตใจตัวเองนั่ะมันก็รู้ได้เพราะว่าใจของเรามันเชื่อมั่น ต่อคุณพระรัตนไกลและเชื่อมั่นต่อคำสอนของพระเจ้ากี่มากน้อยเท่าไหรนี่เมื่อตอนพี่นาดูตนก็รู้ได้ น, นั่นแหละเมื่อรู้ว่าตนนั้นมีศรัทธาแรงกล้าจริงมั่นใจในบุญในคุณจริงๆไม่มีทางท่อถอยอย่างนี้นะก็รู้ ก็รู้ตัวเองนะนั่นแหละถ้าพิจารณาดูตนเองว่าใจตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยสู้เท่าไรข้อวัดปฏิบัติมันชักจักอ่อนแอลงถ้าหากว่ามีพระท่านแนะนำชักชวนให้ทำความเพียรให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ ใจมันชักอ่อนลงไปนะสู้ไม่ไหวนนี้ก็รู้รู้ว่าตนนั้นวาสนาบารมีของต น, นอ่อนอยู่ยังอ่อนอยูอ่เมื่อรู้ว่าวาสนาบารมีของตนยังอ่อนอยู่นี่ก็พยายามสิพยายามให้มันแก่ขึ้นเพราะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันแล้วอยู่ที่ใจของเรา พยายามปลุกปรอบใจของตัวเองให้มันเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆอย่าให้มันอ่อนแอลงตัวเองนั่นแหละสอนตัวเองนะจะให้คนอื่นสอนนี่ว่าตนไม่เอาแล้วมันก็อยู่แค่นั้นแหละมันก็ไปไม่ถึงไหนแล้วเช่นอย่างว่าวิงไปในทางเส้นเดียวกันผู้หนึ่ง แข็งแรงวิ่งไปได้เร็วคนหนึ่งอ่อนแอวิ่งช้าคนแข็งแรงจะเรียกคนที่วิ่งช้าช้านั้นมาให้วิ่งเร็วๆสักเท่าใดมันก็วิ่งไม่ขึ้นเพราะกำลังมันอ่อนมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ผู้ที่วิ่งช้านั้นถ้าวิ่งไม่ถอยมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันนะว่าต่างได้ถึงก่อนกันหลังกันเท่านั้นเอง ดังนั้นผู้ที่รู้ว่าตนนั้นกําลังใจกําลังศรัทธายังอ่อนอยู่เนี่ยก็พยายามทําให้มันมากขึ้นกวัวเดิมนะพยายามทําให้มากขึ้นกวัวเดิมมันก็ค่อยมากขึ้นเองเนี่ยเพราะเราทำมัน น, นี่นันนี่เช่นสมมติว่านั่งภาวนาอย่างนี้นะเอานั่งวันนี้แหละมันได้แค่นี้แหละ ใจก็สงบลงแค่นี้แหละแต่ยังไม่ถึงที่อย่างนี้นะเอาคราวต่อไปนั่งภาวนาอีกเพราะพยายามให้มันดีขึ้นไปกว่านั้นอีกอืเราพยายามไปทีละน้อยละน้อยไปอย่างนี้การนั่งภาวนานั้นมันก็ค่อยเห็นผลไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าเรามุ่งให้ใจมันสงบ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ใช่ว่านั่งภาวนาไปทําใจสงบไป น, นิดหน่อยแล้วก็เลิกลากันไปเลยอย่างนี้คราวใดก็ทําได้อย่างนั้นเช่นนี้นี่มันก็ใจมันก็สงบอยู่นานไม่ได้เลยนั่นเลยให้เข้าใจเราต้องพยายามอา้ามันสงบได้วันนี้แค่นี้ ต่อไปเราจะทำให้มันสงบได้มากกว่านี้อย่างนี้นะพยายามไปเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่เหลือวิสัยถ้าเราพยายามเราพอใจจะทำมันแล้วนะเราเพ่งอยู่ภายในไม่ส่งเสริมความคิดความนึกที่สรงสายออกไปข้างนอกมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอยู่ภายในนั่นถ้าเราเพ่งอยู่ภายในแล้วไม่มีผิดเลย ไม่ผิดทางครับโดยเฉพาะเพ่งอยู่ในความรู้สึกอันนั้นนะนั่นแหละความรู้สึก น, นั้นคือดวงจิตอ่ะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่นั่นนะ้วาน้อมสติเข้าไปประคองความรู้สึกอันนั้นไนะว้อย่างนี้นะมันจะไม่คิดไปไหนละวบบนี้นะเราฝึกสติให้มันแก่กล้าเข้าไป ความคิดความนึกเคยเคยฟุ้งซ่านมาแต่ก่อนมันก็อ่อนลงนะเพราะสติมันเข้าไปประคองจิตไว้อยู่เสมอไม่ให้มันคิดเลื่อนลอยไปเหมือนแต่ก่อนการภาวนานี่มันสำคัญอยู่ที่สติสัมปชัญญะ น, นี่แหละสำคัญมากทีเดียวนะถ้าสติอ่อนแอแล้วจิตก็สงบลงไม่ได้มันไปนอย่างนั้น สติต้องเข้มแข็งเสมอเสมอต้องอดทนต่อทุกขเวทนาพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมานิดหน่อยกบกลัวเจ็บกลัวตายแล้วห่วยเสียอย่างนี้นะเอ้าจิตมันสงบลงไม่ได้แล้วแบบนั้นนะมันไม่ตายความจริงนะเอ้าเรานั่งสมาธิเข้าไปถ้าจิตนี้มันไม่สงบลง เป็นหนึ่งเราจะไม่ออกจากภาวนานี่แหละอย่างนี้อธิษฐานใจอย่างนี้แล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกผู้ชอบบริกรรมพุโทโธกน็นึกพุโทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเข้าไปอย่างนี้เราเพ่งอยู่ภายในไม่ให้จิตมันคิดส้างออกายนอกนานเข้านานเข้านะจิตนะมันก็รวมลงเองมันแหละ เมื่อไม่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่ส่งออกไปข้างนอกแล้วมันก็รวมลง น, ะนั่นแหละเราต้องอาศัยความอดทนหน่อยอดทนต่อทุกขเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นเรียกว่าจิตนั้นมันปล่อยวางความยึดความถือในสุขในทุกขเสียได้วนะี่มันถึงรวมเป็นหนึ่งลงได้อันการภาวนานี่นะ ถ้ายังไปติดอยู่แค่สุขแค่ทุกข์นั้นจิตรวมลงไปหนึ่งไม่ได้เลยขอให้เข้าใจมันต้องรวมจิตลงไปเพ่งอดทนเพ่งจนรู้เท่าทุกขเวทนาต่างๆเลยเวทนาก็สั ก, กว่าต่เวทนาไม่ใช่ศาสตรบุคคลตัวตนเราเขาเนี่ย พระพุทเจ้าสอนอย่างนี้เราก็ทำตามเนี่ยทำในใจนให้เห็นว่าทุกขเวนทาวนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าอ่างนี้ดังนั้นไอ้กำหนดรู้ว่าเป็นเรื่องของขันห้าไม่เสียเลยสุกทุกทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเรา เราไม่ได้มีอยู่ในทุกทุกไม่ได้มีอยู่ในเรามีอุบายสอนใจเข้าไปอย่างนี้บริจิตมันก็แยกจากทุกได้สิเพราะว่าทุกเวทนาทุกเวทนามันเป็นมันเป็นเรื่องของขันห้านั่นแหละเมื่อเราปรงระวังขันห้าแล้วก็เท่ากับว่าปรงวางทุกไม่เอาทุกมาแบกไว้ในใจมันหนัก ในถือว่าทุกนั่นเป็นส่วนของสังขารขันของสังขารทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปวนแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละเราภาวนาเพ่งพิจารณาให้มันเห็นลงไปอย่างนี้ก็มันมีอยู่ทุกคนนิสุขทุกเขเวทนานสัง ไอ้ผู้ที่ไม่เห็นทุกข์ก็ยังว่าต้องนั่งนานๆหน่อยเจ็บตร ง, งนุ่นปวดตรงนี้อะไรต่ออะไรไปเนินไม่เห็นทุกข์แล้วอันนี้แลขันห้ามันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละว่างั้นทำไมยังเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ไม่วุ่นวายไม่แปรผัน สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าจิตจํานงหมายของตัวเองนั้นมุ่งหวังว่าให้ได้บรรลุธรรมของจริงให้อยู่กับธรรมของจริงที่เป็นอากุปรธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่วันหว ทาที่ไม่เสื่อมให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าไม่ติดอยู่ในสุขในทุกข์อย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ได้พบธรรมของจริงหรือธรรมอันไม่เสื่อมมันก็ไม่ได้พบเลยการที่จะพบธรรมอันไม่เสื่อมได้นั้นก็ต้องโปรง่งจงวางสุขเวทนาทุกขเวทนาลงก่อน เมื่อปล่อยวางสุขทุกข์ลงไปอย่างนี้แล้วจิตใจถึงอุเบกขาธทำลงไปเพ่งอุเบกขานั้นไม่ท้อไม่ถอยเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวก็จะได้พบธรรมของจริงที่ไม่กําเริบแล้วถ้าเราทําบ่อยๆเข้าไปนะอมืมันเป็นอย่างนั้นที่ท่านเรียกว่าอุเบกขาญาณสัมบยุต จิตใจเป็นกลางประกอบด้วยญาณความรู้นี่ความรู้แจ้งในสภาวะสังขารธรรมทั้งหลายรู้แจ้งตามเป็นจริงคันเมื่อจิตไม่เป็นกลางแล้วมันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายธรร ม, มะดังกล่าวมานี่นะ พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติลงไปโดยอุบายแยบพายในจิตใจของตนตนก็คงจะได้พบธรรมของจริงไม่ไม่เร็วก็ช้าดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้